สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สามร้อยเก้าสิบสี่เรื่องผู้นมัสการที่แท้จริง the true worshipper พระจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สี่ข้อที่ยี่สิบสี่แต่ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่ยี่สิบสามนะครับพี่น้องโปรดฟังพระชนะของพระเจ้า ยอ้อนบทที่สี่ข้อที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ไก่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วในบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่น้ำมการอย่างถูกต้องจะน้ำสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาอาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นน้ัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณผู้ที่น้ัสการพระองค์ต้องน้ำสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง พี่น้องับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ทุกทุกคนที่ฟังเสียงนี้กําลังเตรียมตัวไปนมัสการที่โบสถ์หลายหลายท่านอาจจะยังไม่มีโอกาสนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้แต่นั้ก็ตามครับเมื่อพี่น้องฟังเสียงจากสีบานในวันนี้สิ่งที่ผมคาดหวังและเป็นคําอธิษฐานของผมต่อพี่น้องทุกคนรวมทั้งผมด้วยก็คือเราจะมีการนมัสการ ที่แท้จริงถูกต้องเราก็จะเป็น the true worshipper ก็คือผู้ที่นัสการที่แท้จริงที่พระเจ้าได้พอกระไทยที่น้องครับการที่เรานับศสการ์พระเจ้านั้นเราจะต้องให้พระเจ้านั้นเป็นศูนย์กลางแห่งการนัสการไม่ใช่ตัวเราสิ่งที่สำคัญที่หลายๆลคนเข้าใจผิดก็คือบางคนนั้นเข้าใจว่าการนัสการพระเจ้านั้นเป็น การที่เราจะต้องร้องเพลงให้ดีที่สุดแต่งตัวให้สวยที่สุดหรือแม้กระทั่งทำอะไรให้ดีที่สุดเพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นแต่พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการแต่งกายภายนอกหรือการที่เราจะทำอะไรให้ดีที่สุดนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางหมายความว่าเราทำเพื่อถวายพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สาคัญมาก แต่ในเพิ่มพีก็ได้ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดพระเนตรที่ร่างกายภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรเข้าไปถึงจิตใจแต่ด้วยเหตุนี้เองทำให้หลายคนนั้นก็เน้นเรื่องการแต่งกายภายนอกมากกว่าความสวยงามความบริสุทธิ์ในจิตใจในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสคิดถึงว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยอะไรพระเจ้าทรงพอพระทยัยเครื่องถวายบูชา มากกว่าการเชื่อฟังหรือคำตอบคือไม่ใช่พระเจ้าปรารถนาพระเจ้าพอพัดไทยที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีการเชื่อฟังพระเจ้าในเช้าวันนี้ผมอยากจะอาธิบายเรื่องราวของพระธรรมยอญบทที่สี่ข้อยี่สิบสามยี่สิบสี่ข้อย3ิบสามตั้งต้นว่าแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือผู้ที่น้ำสการอย่างถูกต้อง ต้องนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงคาว่าวาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วเล็งถึงเวลาวาระที่พระเยซูกำลังพูดอยู่กับพวกสาวกเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนั่นหมายความว่าการนมัสการที่ถูกต้องแท้จริงนั้นบัดนี้ได้มาถึงแล้วก็คือเราจะต้องนมัสการผ่านองค์พระเยซูคริส การนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องจะต้องนมัสการพระเจ้าผ่านทางพระเยซูเพราะว่าทุกครั้งที่เรานมัสการรวมถึงการนมัสการพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมเราจะรู้ว่าเป็นการนมัสการพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์โดยผ่านทางการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์พี่น้อครับการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์นั้นมีความสําคัญ ต่อการนัสการพระเจ้าอย่างยิ่งยวดครับเราคงจําได้นะครับว่าเวลาที่พระเยซูถูกตึงแม่งเขนและพลงพลงสิ้นพระชนม่านในเป้าวิหารนั้นขาดออกเป็นสองท่อนครับนั่นหมายความว่าไม่มีสิ่งใดขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าได้อีกต่อไปในสมัยโบราณชาวยิวนั้นรู้ว่าการนับการพระเจ้านั้นเขาไม่สามารถนับการพระเจ้าเองได้ต้องผ่านปุโรหิต ปูหิตต้องทําการถวายบูชาเมื่อพระเยซูเสด็จมาแล้วพระองค์เป็นมหาปูโรหิตคนสุดท้ายในขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นเครื่องบูชาเป็นประมิสโปดกเป็นแกะที่ต้องถูกนําไปฆ่าเพื่อไถ่าบาปเราทั้งหลายเชื่อครับหลักฐานการขาดของม่านในพระวิหารนั้นทําให้เราทั้งหลายรู้ว่าพระเยซูมา และเป็นวาระแห่งการน้ำส ก, การพระองค์ด้วยจิตวิญญาณได้ความจริงพี่น้องครับวาระใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วมีความหมายเช่นนี้ครับเราจะมาดูประเด็นต่อไปก็คือนส ก, การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณหลายคนคิดว่าจะต้องน้ำส ก, การพระเจ้าด้วยอารมณ์ความรู้สึกแปลความหมายอย่างนั้นไม่ถูกต้องครับ พี่น้องต้องไปดูโรมบทที่สิบสองข้อที่หนึ่งเราจะรู้ว่าการนําสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ น, นั้นก็คือการนำตัวเองมาถวายครับนำตัวเองมาถวายก็คือการถวายตัวนั่นเองครับทุกครั้งที่เราจะมาน้ำสการพระเจ้าเราต้องมาถึงแท่นบูชาที่เราจะถวายตัวแน่นอนครับเครื่องบูชาที่จะถวายก็คือตัวเราเอง ตัวเองนั้นประการที่สําคัญที่สุดของการถวายก็คือเราต้องรับการชราําระเสียก่อนเพราะฉะนั้นการสารภาพบาปการทูลขอการอภัยโทษเป็นสิ่งที่สําคัญมากนี่คือการรีนิวนะครับหมายความว่าเรากลับไปถึงจุดเริ่มต้นของการกลับใจใหม่ตอนที่เราบังเกิดใหม่ตอนที่เรารับเชื่อพระเยซู ตอนที่เราได้รับการขนานนามว่าเป็นคนชอบทมตอนที่เราคืนดีกันกันกบพระเจ้าตรง น, นั้นแหละครับจะต้องเกิดขึ้นเมื่อเรานมัสการท่านน้องครับอย่านมัสการหากว่าเรายังไม่ได้สารภาพบาปเพราะการนมัสการตรงนั้นไม่ได้เป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณครับเราอาจจะมาจตกเปลือกนอกเราอาจจะมาแล้วทำให้เรารู้สึกดีแต่ เราไม่ได้เกิดการนมัสการที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการนมัสการตรงนั้นด้วยจิตวิญญาณหมายความว่าจะต้องประการแรกคือบริสุทธิ์รับการชำระเสียก่อนการถวายตัวนั้นมีความหมายว่าเรานั้นได้มอบยินดีด้วยความเต็มใจนะครับท้าทีหมายเ็ตที่ปรารถนาที่จะทำให้พระองค์พอพระทัยพี่น้องครับ ทำอย่างไรพระเจ้าถึงจะพอปทัทไทคำตอบง่ายๆครับก็คือเราจะต้องมีไมเซ็ตหรือมีท่าทีทัศนคติหรือมีแนวคิดที่ปรารถนาจะเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดๆครับเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดๆนี่คือท่าทีของการถวายตัวประการต่อไปครับนัสศ ก, การด้วยความจริง เนครับลองเปิดอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ17เราจะรู้ว่าการนำส ก, การพระเจ้าด้วยความจริงนั้นใครคือความจริงอะไรคือความจริงครับมีความจริงอยู่สองอย่างครับความจริงแรกก็คือพระเยซูนั้นทรงเป็นความจริงพรงตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระเยซูปเป็นความจริง การน้ำสการพระเจ้าอย่างถูกต้องต้องน้ำสการโดยผ่านทางพระเยซู zus, ครับและในขณะเดียวกันอะไรเป็นความจริงครับยอห์หบทที่สิบเจ็ดข้อสิบเจ็ดได้บอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องน้ำสการพระเจ้าด้วยพระวจนะเพราะว่าพระวจนะนั้นทําให้เรารู้จักความจริงและพระวจนะนั้นจะทําให้เราได้เห็นความจริงและน้ำสการพระเจ้าอย่างถูกต้อง พระเยซูเป็นผู้ที่ทําให้เรารู้ความจริงเพราะว่าพงค์บอกว่าพงศ์เป็นความจริงเพราะฉะนั้นการน้ำสการพระเจ้าผ่านทางพระเยซูเราต้องรู้จักพระเยซูใครก็ตามที่รู้จักพระเยซูยิ่งมากเขาก็จะรู้จักพระเจ้ายิ่งมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เรามามัสการพระเจ้าในทุกๆเช้าวันอาทิตย์นั้นก็คือความปรารถนาที่จะเห็นพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นเข้าใจและรู้จักพระเยซู Robin. มากขึ้นมากขึ้น หากวันนี้ท่านไปโบสถ์นัสกการพระเจ้ากลับมาท่านรู้จักพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นหรือเปล่าถ้ารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นรู้จักความจริงแห่งพระชนะของพระองค์ามากขึ้นนั่นแหละครับเราเป็นผู้นักสกการะที่แท้จริงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้พระชนะของพระเจ้าติดหัวติดตาติดมือของเรานั่นหมายความว่าอะไรครับเราจะต้องเป็นผู้ที่ Sing His Word back to him เวลาที่เราร้องเพลงนมัสการพระเจ้านะครับเนื้อความที่มาจากพระเจ้าของพระเจ้าจะเป็นเนื้อความที่โปร่งทรงพอระภัยเพราะนั้นคือความจริงพระเจ้าของพระองค์เป็นความจริงอันที่สองก็คือ pray His Word back to him หมายความว่าเราจะต้องอธิษฐานโดยใช้พระเจ้าของพระองค์อธิษฐานทูลขอวิงวอนและที่สาม ก็คือ live live out his word to him หมายความว่าเราต้องมีชีวิตที่สำแดงออกถึงพระวจนะก็คือการเชื่อฟังทำตามนั่นเองครับพี่น้องนี่คือสามวิธีในการที่จะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าเมื่อเรานมัสการพระองค์ให้เราเป็นผู้นมัสการพระเจ้าที่แท้จริงเถิดครับ Amen. I